แสดงตัว เ, เป็นสิทเป็นอาจารย์ทั้งนีเ้เพื่อที่หลวงพ่อจะได้สอนได้เป็นที่พอเป็นสิทธิอาจารย์กันแล้วก็ว่ากันได้หลวงพ่อก็ว่านักศึกษาได้ในขณะเรียนนักศึกษากว่าหลวงพ่อได้เหมือนกันแต่อย่าไปว่าแรงนะว่าหลวงพ่อแต่พอเหมาะพอดีแต่หลวงพ่อว่านักศึกษาให้แรงได้ <c oughs> ทีนี้มาถึงข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออริยบทโดยการธรรมดาเนี่ยการสอนให้เป็นคือสมาธิเราจําเป็นต้องนับหนึ่งใครจะได้อะไรมาที่ไหนก็ยกเอาไว้เราจะต้องนับหนึ่งขึงก่อนเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่แน่นทาไมจึงเอาอริยบทเนี่ยขึ้นมาเป็นข้ อ, อเป็นหลักสูตรเพราะว่า ร่างกายกับใจเนี่ยจำเป็นต้องประสานกันมีกายอย่างเดียวไม่มีใจไม่ได้มีใจอย่างเดียวไม่มีกายไม่ได้และเมื่อมีกายและมีใจก็จจำเป็นที่กายกับใจไม่ต้องประสานกันซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาของความมีชีวิตหากมีจะพักกายไม่มีจิตเป็นไปไม่ได้ จึงจําเป็นจะต้องมีทั้งกายและใจการทําสมาธิเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจแทนถ้าหากว่ากายเราเนี่ย อ, อึดอัดแล้วก็ไม่สมบูรณ์แล้วกเกิดวิกิตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยการที่จะทําสมาธิก็ไม่สะดวกทีนี้ถ้าหากว่ากายของเรา กายของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วสมองก็สมบูรณ์แขนขาสมบูรณ์หมดแต่ว่าใจนั่นไม่สมบูรณ์คือหมายความว่ามีความวิปริตหลายๆอย่างเพราะทาสมาธิไม่ได้เป็นอย่างคนที่เสียจิตไปแล้วเารอยบทสี่นั่นคือการยืนเดินนั่งนอนเพราะอาริยบทสี่นี้มีความสำคัญต่อกายเป็นอย่างยิ่ง หาอริยบทเหล่านี้ขาดไปอย่างใดอย่างหนึง่งเขาจะถือว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนที่การทันทีเมื่อเขาพิการอย่างนั้นแล้วนั่นก็กระทบถึงใจด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นของผู้ปฏสมาธี่จะต้องศึกษาและเข้าใจว่าอาริยบทจะทํายังไงถึงจะสมดุลกันาการสมดุลกันก็ จะต้องมีอริยบทสี่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสมาธินั้นสมาธิอยู่ที่ใจเมื่อใจสงบเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นคืออยู่ในอริยบทไหนก็อยู่ที่ใจยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใจใจสงบหรือว่าเป็นสมาธิเราจะได้ยินว่าอย่างที่ท่านพระอนน คือเป็นพุระอุปัฏฐาหรือเป็นทอสของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้สําเร็จพระอรหันต์ตอนท่านนอนเดินท่านก็ไม่ได้สําเร็จนั่งท่านก็ไม่ได้สําเร็จยืนท่านก็ไม่ได้สําเร็จท่านได้สําเร็จอตอนนอนอย่างนี้เป็นต้นหรือพุทธห้าร้อยองค์เดินุรดงไปแต่ผู้หญิงสาวคนหนึ่งกําลังร้องเพลงตองเพลงของหญิงสาวนั้น ก็ล้องเพลงไปทางเก็บดอกบัวไป่รางเพนจับพระห้าร้อยองนั้นเพลนใจในเสียงเพลงนั้นห้าร้อยองก็ไะยืนลอ้อมจักมากน้อยเราจะคิดเอาอแล้วไปเยืนดูผู้หญิงคนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าในปัจจุบันถ่ายโทรทัศน์ถ่ายแอบลูกล ร, รงหนังสือพิมพ์ข่าวใหญ่แต่ว่า ท่านทั้งห้าร้อยองนั้นท่านไม่ได้ไปฟังเสียงเพลงเพื่อให้เกิดกิเลสแต่ท่านจะฟังเสียงเพลงเพื่อจะละกิเลสพอเวลาเออถึงน่ะลองเพลงไปพลางเขาโก้ขยื้ดอกบวัวดอกบวัวก็ค่อยืยี้เพราะว่าเพลงนั่นน่ะเขาจะลองเพลงว่ารักครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้ พอลักลายลงไปดอกบัวมันก็ห่าลงไปอย่างนี้อพอลักสูเส้นดอกบัวก็หล่นหมดแต่ผู้หญิงคนั้นก็ขียื่ดอกบวกัเเกบวเนี่ยทิงแต่เสื่อขาดไม่ขาดขณะที่ผู้หญิงนั้นขี้ยื่ดอกบัวลงไปทุ่งสานั่นละทั้งห้าร้อยองได้สําเร็จพระกรหันหมดไม่มีเหลือสักอง์ แล้วท่านก็เหาะไปในอากาศขอบใจนางสาวคนนั้นจะเป็นใครเรากรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นคือ ท, ท่านยืนที่ที่พูดมาเนี้ยอยากจะให้เข้าใจว่าสมาธิเป็นได้ในขณะยืนสําเร็จด้วยทสมาธิเป็นได้ในขณะนอนที่อย่างท้านอนก็สําเร็จด้วยอย่างนี้เป็นต้น อาริยบทนั่นขึ้นอยู่ก็ความเหมาะสมในชุมชนจึงต้องให้อริยบทเนี่ยคล้อยตามความเหมาะสมเราจะไปนั่งสมาธิกลางศูนย์การค้าไม่ได้หรือเราจะไปเดินจงกรมในศูนย์การค้ามันก็ไม่ได้อันนี้จะต้องอาริยบทอันนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะนั่งสมาธิศูนย์การค้าเราต้องไปหาห้องใดห้องหนึ่ง แล้เวเราก็ไปนั่งให้มีชีวิตอย่างนั้นทั้งนี้เพื่อไม่ให้ขัดต่อร่างกายเริ่มต้นด้วยการนั่งโดยเฉพาะการนั่งกัตสมาธิหรือเอาว่าเป็นสมาธิแต่อริยบทอื่นไม่ถือว่าเป็นสมาธิอันนี้เพราะความเชื่อถือความเชื่อถือของเราเนี่ยเชื่อว่าเราต้องนั่งสมาธิถ้าเราไม่นั่งสมาธิ ม้นจะมาเป็นสมาธิได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นเพียงความยึดมัน่นหรือว่าเป็นความเพื่อเธอที่เราตึกนิสัยกันมาว่าใไปทําไมจะไปนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นาการนั่งสมาธิถือว่าเป็นอริยบทหนึ่งเท่านั้นจะนั่งอย่างไรก็ได้นั่งโซฟาก็ได้นั่งพื้นก็ได้เพียงแต่คำบริกรรมเป็นการทําสมาธิแล้วาการยืน อย่างที่ยืนเฉยโดยบริกรรมก็ถือว่าเป็นการยืนสมาธิการเดินจะเดินจงกรมบริกรรมก็ถือว่าเดินสมาธิหรือถ้านอนนึกพุทโธก็ถือว่านอนสมาธิความหมายก็คือว่าการทําสมาธิด้วยอริยบทต่างๆนั้นมีจุดประสงค์จะให้ร่างกายและจิตใจไม่ขัดกัน เพื่อประสงค์จะให้มีสมาธิทุกๆอธิบดีเหตุว่าถ้าผู้ทําสมาธิมีความสบายมากเอาแะนั่งอย่างเดียวร่างกายก็ทุกขนเป็าภาพได้มีพวกฤอษีหรื อ, อพวกอะไรเนี่ยเขาไปนั่งแล้วเขาก็ยกมือขึ้นข้างเดียวอย่างนี้นั่งสมาธิจนสำเร็จฌานน่ กรเล็นี่มันทะลุกออกข้างหลังมาเนี่ยแขนก็ยังยกอยู่อย่างนี้แต่ว่าการที่แพ่จะทำท่นนั้ น, นผลที่ออกมาคือการไม่บรรลุไม่บรรลุความสำเร็จที่ต้องการเพราะว่าท่านเข้าฌานานานเกินไปเมื่อเข้าฌานานานเกินไปมันก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล็บมันจะทะลุไปไหนก็ไม่รู้สึก พอมารู้สึกที่ไหนร่างกายก็พลรภาพาไปแล้วทำต่ออย่างอื่นไม่ได้อาริยบทหลักของสมาธิคือการอคือนั่งและเดินทั้งสองอริยบทจะมีการหัดเปลี่ยนกันหรือว่าเดินจมกลมและนั่งสมาธิมันจะมีอยู่สองอริยบทคืออริยบทเดินและอริยบทนั่งส่วนอริยบทนอนนั่งก็ถือเอาเป็นส่วนว่า ไม่ให้มันพึ่งเปล่าก็นอนไม่พูดโทไปอย่างนี้แต่โดยมากแล้วพูดโทยังไม่สิ้ทํามันจะหลับไปซะก่อนแล้วจะเลยได้นิดเดียวเหงได้นิดเดียวก็ได้อยู่ยางไรได้กามาที่เป็นพื้นฐานของจิตจึงต้องมีไว้ทุกเรียบท่ังกล่าวมาจึงดูกระหนึ่งว่าเป็นเรื่องวิตกกังวลที่จะต้องจดจ่อคอยระวัง หรือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความพอใจอันที่จะต้องทําอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนั้น เ, ออเราไปกังวลอยู่กับเรื่องอะไยบทมากเกินไปเลยเกิดความวิตกกังวเราจะต้องทําเดินเราจะต้องทําเราไปคิดอย่างนั้นที่จริงแล้วนั้นไม่จําเป็นว่าเ อ, อบางครั้งบางคราวนั้นเราจะต้อง ท, ทําธุรกิจการงาน เราจะต้องทําปฏิบัติหน้าที่เราจะต้องทําการอื่นอื่นันนั้นก็ยกเว้นได้เพราะว่าการทําสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่พลังจิตเมื่อจุดมุ่งหมายอยู่ที่พลังจิตเราก็หาเวลาที่จะสะสมพลังจิตนี้จะเวลาไหนก็ถิแล้วแต่แต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าาพลังจิตนั่นน่ะที่เราสะสมพลังจิต มันก็เหมือนกันกับเราสะสมเงินเมื่อเราสะสมเงินการสะสมเงินเนี่ยถ้าหากว่าโอกาสที่มันจะมีให้กับเราเนี่ยเราก็ไม่ควรยึงโอกาสนั้นเพราะว่าเมื่อเราได้เงินมาเยอะเราอยากได้อะไรมันก็ได้เช่นเดียวกับว่าเราได้พลังจิตมาเยอะเราอยากได้ฌานก็ได้อยากได้ญาณก็ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้น ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่สนใจก็จะไม่คิดว่าเรื่องของการทําสมาธินี่เป็นเรื่องของการทําให้เกิดกังวลกับเรางั้นแบบเ อ, อเรารับประทานอาหารอย่างเนี้ยเขาก็ต้องรับประทานเด็กกะต้องรับประทานลวกเช้นมาเขาอีกแต่การรับประทานอาหารนั้นเป็นเรื่องทําให้เกิดกังวลกับเราเพราะว่า นอกจากมันจะอร่อยแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ว่าต้องร่างกายต้องมีอาหารด้วยอย่างนี้เป็นตน้นความจริงอรเยอบทไม่น่าจะต้องทราบกันมากนักหรอกแต่ถ้่ควรให้ลึกซึ้งด้วยความจริงก็ควรจะต้องทราบให้ละเอียดไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางของการแนะนาเนื่องจากว่าขณะนี้กำลังศึกษาครูสมาธิม่ใช่ศึกษาเพียง ว่าเอาแต่เฉพาะตัวมีความจําเป็นต้องสร้างการทื่อร่างกายจะประสานกับใจเป็นตัวตั้งการบริหารร่างกายเพื่อเข้าเข้าสู่สมาธิหรือการทําอริยบทให้ถูกต้องนั่นเองการ น, นั่งสมาธินั้นคือการดํานดเนินงานเพื่อประสานร่างกายเข้าสู่สมาธิได้ระดับหนึ่งเพราะวิธีนี้ จะทำให้ความสงบตั้งอยู่ได้นานคือเกิดความสงบความรู้สึกปวดเมื่อยจะหายไปจะนั่งนานเท่าไรก็ได้แต่ถ้าไม่ปรับปรุงโดยการนั่งท่าเดียวนานเกินไปจะเกิดทุกข์ผลภาพของร่างกายดังกล่าวแล้วฉะนั้นจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนอริยาบทเพราะถ้าใช้การนั่งนานเกินไปแทนที่จะได้ สมาธิมากขึ้นร่างกายเรากับที่ตนที่การถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าการประสาน ร, ร่างกายกับใจไม่สมดุลคือการประสาน ร, ร่างกายกับใจไม่สมดุล น, นั้นไม่ได้ถ้าการทําสมาธิบางทีเราเห็นว่ามันสบายนักเลยนั่งนานอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดเป็นโรคภัยขึ้นมา เราเคยได้ยินว่าโยคีบางจำพวกเขาทรมานร่างกายหวังบรรลุไม่นอนจนพิการหรือยกแขนข้างเดียวไม่วางลงจนพิการหรือใช้การอดอาหารจนพิการเป็นต้นทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่บรรลุและยังทำร่างกายให้พิการถึงจะทำสมาธิ่อไปก็หมดโอกาสทางนี้พระ ผู้ประสานนั้นประสานร่างกายสู่สมาธิผิดพลาดโดยการบริหารร่างกายไม่ถูกต้องทั้งนี้เพราะเรื่องอริยบทนั่นเองอย่างไรก็าตามพวกเราครูสมาธิได้ศึกษาเรื่องอริยบทต่างๆแล้วก็ะจะไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากอริยบทนี้ เ, เป็นของตื่นแท้ แต่เมื่อเกิด ก, การผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอันนี้เป็นที่ไม่ได้อยู่ในหนังเอนแต่ใครอยากได้คนจะต้องทีหลอกเอาทีนี้ก็จะได้พูดให้นักศึกษาเข้าใจให้กว้างขวางไปกว่านี้อีกสักหน่อยเพราะว่าการทำเนี่ย บางทีเราอาจจะเห็นไอคนที่เขานั่งสมาธิอวดไปนั่งสมาธิอวดพอไ้นั่งสมาธิอวดแล้วไอคนนั้นอะแทนที่จะได้สักเสียเมื่อหลวงพ่ออายุอย่างน้อยทางรถยนต์ไม่มีตั้งแต่ตัวลาชไปทุนเทพมีแต่ทางรถไฟก็มีพระองค์หนึ่งพอได้สีได้ยิงเสียงรถไฟมา รถไฟในมาเสียงมันจะมามันต้องมาแต่ไกลเขาก็ขึ้นนั่งมันมีหญิงกอดนิงใหญ่ๆแพอเข็นไปนั่งคนนั้นเ อ, อเสร็จแล้วพอนั่งทำนั่งอย่างดีรถไฟก็วิ่งผ่านคนก็มองพอรถไฟผ่านไปแล้วแกก็เลิกลอันนี้ถือว่าใช้อาริอรัลบอดไม่ถูกแล้วเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า เราไม่ได้ทําเพื่อโอ้อวดและเราไม่ได้ทําเพื่อแข่งกันกับใครและเราไม่ได้ทําเพื่อที่ว่าเมื่อเรานั่งสมาธิโอ้โหพระองค์นี้เก่งนักหนาอนยอมคนนี้เก่งเหลือเกินนั่งสมาธิอย่างนี้เราไม่ต้องการถ้าหาว่าต้องการอย่างนั้นถือว่าเป็นอันตรายอันตรายที่นี้ มีอยู่ในคาบาลีที่ว่าโลโพธรรมนานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อสมาทิสเพรนี้เราก็ต้องระมัดระวังเทอความโลภเนี่ยคือความอยากได้อยากให้คนอืน่นเขายกย่องสรรเสริญและตัวเองจะอยากได้เร็วๆเทอความโลภเนี่ยพอเวลานั่งทับเราก็อยากได้ ให้มันจิตรวมบ้างทานบ้างอยากได้อะไรบ้างไอ้ความอยากอันนั้นเรามาตั้งความอยากเป็นเครื่องกำ บ, บงังหมายถึงว่าอยากเกินไปถ้าอยากเกินไปแล้วใช้ความอยากอันนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคื อ, อความไม่เป็นสมาธิเพราะความโลภอันนี้เป็นอันตรายเหมือนกันกับมีคนจีนคนหนึ่ง มานั่งสมาธิที่วัดธ ร, รมงคลเนี่ยอยากเห็นไพย่อย่างเงี้ยอ่ามันออกมาตัวไหนจะได้ไปเล่นให้มันได้ก่อนแต่ที่จะอยากได้นั่นอ่ะมันมาลองหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามันมาทําอะไรมันก็เอาไพ่มาเอ้เรียเอาไพ่มาทําไมบอกว่าก็บอกที่หลวงพ่อมันก็เอา ถ่ออกมามันมาให้เห็นตัวมันก็เย็นให้เบอร์อะไรอ้าวนันก si ็เบอร์เจ็ละเซ่หลานตัดด้วยอ้าวเบอร์จดจริงเอ้ยนี่ลูกเอาไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันลองอ้าเอาออกมาโอ้ยมันอานี่วงันตัวโอด้วยอ้าวเปิดมาจริงๆด้วยเอาอ็กรนะ ว่าถ้าอีกทีก็เชื่ออามาถึงนี่ตัวอะรอ้าวมันก็ตัว a อใบโพด้วยอา้าวถ้าอย่างนั้นนั่งสมาธิเอาเบอร์นั่นถ้ามันนั่งอยู่สามปีนั้นมันไม่ได้เปิดเลยไม่ใช่ว่านั่งเล่นๆนั่นนั่นนงเต็ที่มันต้องลมต้องนานเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่า โลโพธรรมานังปริปันโคทำว่าแปลว่าความโลภเป็นอันตรายต่อสมาธินี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิทุกคนนะไม่ต้องกังวลมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่นี่ทำเสยเลยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเป็นหน้าที่ที่หลวงพ่อจะยึดยิ่ให้หรือว่าตนของตนเองจะจะเจสือชิตมาเอง เรียกว่าเมือนน่อนึกพุโทโธไปพอเนึกพุทโธไปแล้วประจิตมันสงบหน่อยแล้วเราก็หยุดพุโทโธไปอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาเข้าบทที่หนึ่งคือบทอริยบทก็คงจะเข้าใจกันแจ่มชัดแล้วถ้าไม่เข้าใจก็อ่านไปอ่านมามาอ่านไปอ่านมาแล้วถ้าไม่เข้าใจจริงก็มาขอทีท้แจงอันนี้ เพื่อชื่อจะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ในตารางสอนก็นบอกว่ามีการตอบปัญหามีอะไรตอนนี้คงยังไม่มีปัญหาเพราะว่ายังเพิ่งเริ่มต้นเรามาเรียนกันเยอะหลายคนเราก็ไม่แน่ใจว่าใครนั่งหลับบ้างอะไรอย่างนี้เราจ ะ, จะต้องเอาปัญหายื่นให้เราจะตอบปัญหาส่งมาให้ว่า ที่อธิบายมาเนี่ยเข้าใจไหมวันนี้ตรจจบไปแค่นี้รายการไหนต่อไปถามตอบปัญหาถ้านักศึกษาท่านใดที่มีความสงใจเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งสมาธิก็ถามตอบได้ถามได้อนอกจากยืนเดินก็ถามอื่นได้ตอนเช้ายังไงใครจะถามถามเรื่องสมาธิเดิน อาแบบยกมือเหรอดกมือไปก่อนออยกมือก่อนไท่านัเรียนครับเ็กมี ค, คาถามอยากถามหลวงพ่อแต่ในหนังสือเนี่ยเมื่อกี้ได้อ่านไปอยู่พักหนึ่งไปเจอตัดอยู่สองคำมไม่เข้าใจอยากจะให้หลวงพ่อช่วยชี้แจงให้เด็เข้าใจด้วยทำได้ก็คือตะล่อมจิตตะล่อมจิตตะล่อมจิตอยู่หน้าสามอยู่ใ น, น, อ, ยในอยู่ในบทยืน มาท่าที่สอ่าข้อที่หนึ่งเรื่องการตล่อมอกตะล่อมสมายความไหวยอ่อเอเอ่าเวลาที่เรานึกพอ น, นึกแล้วเราก็ดึงมันกลับก็มา ว, ว่าพุทโธแต่อพอเวลาเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องคิดไปอีกเราจะดึงมันกลับอย่างไม่เรียกว่าตล่อมหยุดครับเอ่อคําถามที่สองอยู่ที่หน้าแปด วัดสุดท้ายมาถชาที่สามอัญญะมัญยังแต่ว่ายังไงครับหลวงพ่ออ่ามันเลยอะไรวันนี้จแล้ว <laughs> ถ้าอย่างนั้นผมขอฝากคำสามในไว้ขาวน้ากระได้ถ้าหลวงพ่ อ, อคิดว่าวันนี้ยังเปลี่ยนไม่ถึงอ่ายังไม่ถึงโอเคครับ <laughs> ขาวาก็มีเชินี้ครับขอขอบคุณหลวงพ่อครับอ่เลที่เจ็ด เราเปราการหลวงพ่อิดชื่อพระพเนจรนะคะถ้าอนุน่ะค่ะท่านจึงเอ็นหลังลงนอนขณะที่ศีรษะกำลังจะส่งนอนั่นเองท่านจะได้สําเร็จพระอรหันต์ท่านทราบได้ยังไงว่าท่านสําเร็จพระอรหันต์นะคะการสาเร็จพระอรหันต์เป็นเตือนแงท่านเองท่านจะรู้เองนอกจากตัวท่านเองรู้เองแล้วพระอรหันต์ด้วยกันท่านมีญาณท่านตัรู้ด้วยว่าองค์นั้นสาเร็จแล้ว โดยการสําเร็จเนี่ยเหมือนการเกิดเรารับประทานอาหารพอเวลากินเนี่ยคนอื่นคงรู้ด้วยในได้เราเป็นผู้หินมีอีกข้อนึ่งน่สอนค่ะที่บอกว่าควรสื่อการแะลีโนเอะลีโนละความปรารถนาที่จะเป็นพระอันเจคัสสะเจ้าทําไมละความปรารถนาคะอ๋หนอกทางตัใหญ่แล้ว แต่ว่าก็จะตอบให้เพราะว่าเมื่อท่านต้องการจะเป็นพระปฏิโจตเพื่อจะสําเร็จจะทนจะอีกหลายทานโอกาสมีทั้งนี้ท่านก็เลยไม่ทิงโอกาสท่านก็เลยเอาโอกาสนี้ให้ท่านบรรลุไปเสฉยเรื่องก็คงมีเท่านี้เธอไม่พี่เจ็ดศูนหนึ่งเขายกมาก่อนเพืยาจะให้ทางหลังเอาบัตมองไม่เห็นเอง ในการเดินเนี้นะคะเวลาที่อยากจะเดินเนี่ยถ้าเราไม่ไม่พาวนาพุทโธนะคะเพรว่าไม่ไม่ไมึ่ชอบอะรอย่งเงี้ยแต่ว่าจะไปมองที่ที่ริ้วของเราและที่เท้าให้รู้อยู่ที่เท้าในขณะเดินเนี่ยผิดไหมใช่ไห อ, อ่าอยู่ที่สติคือความระลึกให้อยู่ในที่เดียวให้ได้เพราะว่าการปฏิกรรมนั่นอ่ะเป็นเพียงเอแนวทางที่จะให้เกิดสมาธิ แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่บริกรรมำแล้วมันไม่มีหลักพอบริกรรมำแล้วมันมีหลักเรื่องก็มีอยู่นี่แปดสองเก้าตอนนี้นักการบินท้าวไทยนักแสดค่ะอยากจะเรียนถามว่าอ่าอิรเดียบทนึงเนี่ยควรจะประมาณสักสี่นาทีหรือชั่วโมงจะเหมาะสมว่ามันไม่น้อยไสไม่มากไปอ่าอินเดบทนึงนี่ยควรจะประมาณไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมง หรือว่าพอเหมาะพอดีไม่ได้ยินค่ะไมเดี๋ยวจะเดิยนสมาี่นะที่เอ่อถ้ากำหนดติดไว้ที่ใจกระมเนี่ยคุณต้องตามลมเข้าไปนะคะมค่ะเออเวลาที่เตนเนี่ยเมื่อกำหนดไว้ที่จมูกแต่ว่าก็ให้ตาของเราอย่าหลับอ่าให้โบมกำหนดไว้ตรงไหนได้ทั้งนั้นเนื้อจมูกแล้วาไม่ได้กำหนดการลมหาใจเใช่คะอ่าไม่จำเป็น ลมหายใจจบปล่อยจะตามสบายข้างหลังไม่ต้องขี้ยกมือผมมีคําถามกับที่ว่าในเรื่องการเดินนี่นะครับเมื่อเราสมัยจะเด็้บบอุปกแล้วเวลากันหนดจิตพอกระสฏว่าจะได้ที่หมายข้าว่าจิตจะสงบก็ให้หยุดที่เส้นทางเดินตรงกรมช่วขนะแล้วจึงเดินต่อไปตรงนี้ผมไม่เข้าใจครับว่าทําไมจึงต้องหยุดเมื่อจิตกำลังจะสงบ เพราะว่าตอนที่เราเดินเนี่ยมันจะมีอาการชนิดหนึ่งเรียกว่า<อ>จิตมันสงบมันจะหยุด้าหยุดไปแล้วเนี่ยเราจะเดินต่อไปไม่ได้เราต้องไปหยุดเในให้สงบสักนิดแล้วก็ถอนจิตออกมาให้มันตื่นเวลาเดินจำกรมเนี่ไม่ต้องการให้เป็นสมาธิลึกให้เป็นสมาธิตื่น เพราะว่าเวลามันจะสงบลงไปแล้วเนี่ยเราจะไปหยุดเดินแล้หลั่งจุดของเราเข้มาให้อทอนความรูม้สึกร่างกายของเราให้เป็นที่แล้วเราจะเดินต่อไป <c oughs> เพราะว่าถ้าเราจุดมันสงบนิ่งแล้วเนี่ยเราเดินต่อมันอาจจะไปชนใทรเขาเราก็อาจจะหกล้ม <c oughs> เพราะว่าความรูมม้สึกของร่างกายไม่เคยมีแล้วถ้าจ ะ, ะนั้นถึงให้หยุดเดิน นี่ท่านใดนี่ไม่มีความต้อแอบอะไรเกี่ยวกับกเรียนแบัท่านสื่อเยอะเลยการเหนื่อค่ะเออมจะมีการย่อถืค่ะนี่คนที่นั่งมาทีนองนะคะ่านนั่งแล้วจะท้องวูบแล้วก็หน้าผากนั้นมีพลังหรืออะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็จะคนได้ได้านก็เรียกหลวงพ่ออยู่ในใจก็ดื่มขึ้นก็รู้สึกว่าในห้องทุกท่าทุกอย่างทั้หมด โนัน่งสมาธิใ่อยากทราบว่าความรู้สึกแค่นั้นให้หลวงข้อบรรยายว่ามันคืออะไรอ่อเป็นอะนไรอีกสักครั้งหนึงค่อยทางเออที่ตอนนั่งก็รู้สึกว่าพักเลยรู้ ว, ว่ามีอะไรเข้ามาแล้วก็หน้าผากจะมีพลงัง อ, อะไรเนี่ฮะและตาก็จะหลับไม่ท่้เลยมนแบมันป้านอะไรอยู่ ก็เลยอธิษฐานเออเื่อพื้นพ่ออยู่ในใจแล้วก็เป็นภาพใหญ่ก็ดืมตาขึ้นก็มองราดท่องม่ึว่าทุกอย่างมันเภาพทีกอย่าชัดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ตาล่าสุดรมตาเสื่อนหมดอ่าใช่หละเลยพะก็ตาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าแต่แท่แ่ชัดตัวกาธรรมตาแล้วก็หลับการนั่งสมาธิสองเกอแสดงว่า รับพลังตรงกันเดียวกันเอง